เพื่อมาทำทุระมาทำหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าสมงมอบให้พุทธศาสนิกชนกระทำกันเพื่อการพัฒนาชีวิตจิตใจให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทุระที่พระพุทธเจ้าสมงมอบให้นี้มีอยู่สองทุระด้วยกันคือหนึ่ง พันธะทุระแปลว่าการศึกษาพระธรรมคำสอน 2. วิปัสนาทุระการทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสิ่งที่เราต้องศึกษาก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริง ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกต่อไปสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระองค์เอ ง, เองโดยที่ไม่มีใครรู้มาก่อนก็คือพระอริยสัจสี่ได้แก่ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคและมรรคผลนิพพานการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่จะมีความสามารถที่รู้ได้ด้วยตนเองคนอื่นนี้ต้องรอให้พระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้แล้วมาสอนถึงจะรู้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่รู้ว่าตนเองเกิดมาได้อย่างไรและตายไปแล้ว จะไปเกิดใหม่หรือไม่จะไม่มีทางรู้และจะไม่รู้ว่าจะสามารถยุติการไปเกิดใหม่ได้ถ้าเบื่อกับการเกิดแก่เจ็บตายเบื่อกับการพัดพรากจากกันและกันถ้ามีความเบื่อล้วได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะได้ รู้ว่ามีทางที่จะนําไปสู่ความสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่เป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเราที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้ไม่มีทางที่จะรู้ได้ด้วยตัวเราเองถึงการ สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้พวกเราโชคดีได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนำพาให้เราไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้เราไปสู่ความสุขที่เลิ่ที่ประเสริฐของพระนิพพาน มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะพาวเราไปได้ถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็จะปิดโอกาสของตัวเราเพราะการที่เราจะปฏิบัติได้ในเบื้องต้นเราต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะ ไม่ปฏิบัติตามและเมื่อไม่ปฏิบัติตามผลอันเกิดอันประเสริฐก็จะไม่เกิดตามมาเบื้องต้นเราต้องเชื่อในพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาพระธรรมคําคสอนฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้จรงิงเห็นจรงิงศึกษาจากหนังสือพระไตรปิฎก ที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงถ้าไม่สามารถศึกษาจากหนังสือได้ก็ต้องอาศัยศึกษาจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานตามพระพุทธเจ้าไปแล้วท่านเหล่านี้จะสามารถสอนธรรมะให้ ได้อย่างถูกต้องจะไม่มีความลังเลสงสัยหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะทำให้เกิดความเชื่อ <c oughs> เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตามพอเกิดศรัทธาแล้วเราก็จะมีความอุตสาหะวิริยะความกยันเหมือนเพียรที่จะปฏิบัติตามที่ พระพุทธเจ้าส อ, สอนให้ปฏิบัติสิ่งที่พระพเจ้าส อ, สอนให้ปฏิบัติก็มีอยู่สามขั้นด้วยกันคือทานสีงภาวนานี่คือบันไดสามขั้นที่จะพาให้เราได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานให้สู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นจิตของพวกเราที่จะต้องปฏิบัติ เพาะเมื่อปฏิบัติแล้วจะทำให้เรารู้แจ้งในพระอริยสัจสี่รู้แจ้งในมรรคผลนิพพานถ้าเพียงแต่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่เกิดประโยชน์หรือปฏิบัติเพียงบางส่วนยังไม่ปฏิบัติครบทุกส่วนก็จะไม่ได้ผลเต็มที่จะได้ส่วนจะได้ผลบ้าง แต่จะจะไม่ได้ผลที่เลิดที่ประเสริฐถ้าต้องการได้ผลที่เลิดที่ประเสริฐเหมือนนักกีฬาที่ต้องการได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาก็ต้องทำหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนบริบูรณ์ถึงจะได้รางวัลเหรียญทองดังนั้นถ้าเราอยากจะ ได้ผลอันเลิ่ออันประเสริฐคือพระนิพพานการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องทำให้ครบทั้งสมส่วนทานเราก็ต้องทำศีลเราก็ต้องรักษาภาวนาเราก็ต้องเจริญถ้าเราทำได้ทครบทั้งสมส่วนแล้วมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไป อย่างแน่นอนเพราะว่ามีผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาและปฏิบัติตามและได้บรรลุมรกผลนิพพานมาแล้วเป็นจำนวนมากเป็นพระ อ, อริยสงสารพกเป็นพระรันตนไตที่สามที่พวกเรากราบไหว้บูชากันท่านเหล่านี้ก็เป็นเหมือนพวกเราในขณะนี้มาก่อน แล้วหลังจากที่ท่านได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อแล้วก็น้อมเอาไปปฏิบัติทำบุญทำทานรักษาศีลและภาวนาจนในที่สุดก็สามารถบรรลุถึงผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ได้ในเบื้องต้นก็ จะปฏิบัติในฐานะเป็นคารวะญาติลงไปก่อนทำบุญให้ทานตามกำลังรักษาศีลไปตามกำลังภาวนาไปตามกำลังพอทำไปแล้วได้รับผลก็จะเกิดมีความอยากที่จะปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นไปเพราะเห็นว่าผลที่ได้รับนี้มีคุณค่า ต่อชีวิตจิตใจ ย, ยิ่งกว่าสิ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้มีความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนและเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เหมือนกับความสุขต่างๆที่เราได้จากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ความสุขในโลกนี้ที่เราได้มาจะมีความทุกข์ตามมาเสมอเพราะ เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเจริญก็มีการเสรื่อมได้เวลาได้มาเวลาเจริญเราก็มีความสุขเวลาที่เสื่อมไปหมดไปเราก็จะมีความทุกข์แต่ความสุขที่ได้จากการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้จะไม่มีความทุกข์ตามมา พาอจะไม่เสื่อมไปจากใจถ้าเราปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดไม่หย่อนความสุขที่ได้รับจะไม่เสือ่อมแต่จะมีเพิ่มขึ้นมากไปตามลาดับจนมีเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจเป็นความสุขที่ถาวรที่เรียกว่าปรมาสุขขังที่เราได้ยินได้ฟัง ที่พระภาลีได้แสดงไว้ว่านิบานังปรมังสุขขัง น, นี่คือความสุขของพระนิพพานความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนาได้อย่างเต็มที่ถ้าอยากจะปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็จะต้องสละเพศของคารวะไปเพราะการเป็นคารวะ น, นี้มีภาระ หน้าที่มีบ่วงมีสิ่งที่คอยเหนี่ยวรั้งไม่ให้สามารถปฏิบัติได้เต็มที่เพราะจะต้องมีภารกิจการงานท ร, รมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลครอบครัวก็จะมีเวลาปฏิบัติได้ไม่มากและก็จะไม่สามารถรักษาศีลได้ บริสุทธิ์ไม่สามารถทำทานได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าได้ออกบวชก็จะสามารถทำได้อย่างเต็มที่เช่นทานก็จะทำได้อย่างเต็มที่เพราะเวลาออกบวชก็จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่แก่ผู้อื่นไปมีสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไร ก็ให้ไปมีบริสัท์บริวารมีสามีมีภรรยามีบุตรมีทิดาก็จะสละไปหมดไม่เอาไปด้วยเวลาไปนี้จะไปตัวเปล่าๆไปพร้อมกับอัฐบริคานคือสมบัติ8ชิ้นที่จำเป็นต่อการครองชีพของสมณะนักบวช นับบวชมีสมบัติเพียงแชิ้นนี้ก็พอมีมากไปกว่า น, นี้จะเป็นภาระต่อการดูแลรักษาจะพรุงพรังจะทำให้ไปไม่คล่องตัวจะทำให้การปฏิบัติไม่คล่องตัวผู้ที่จะออกบวชผู้ที่จะปฏิบัติทำอย่างเต็มที่นี้จะต้องเป็นผู้ที่ ไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆจะเอาแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเพราะจะได้ไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาไม่ต้องคอยมาหาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆต้องอยู่แบบนักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดในปัจจัยสี่เช่นอาหารก็ออกบิณฑบาตได้อะไรมา ก็ยินดีพอใจตามมีตามเกิดได้มากได้น้อยก็ไม่สำคัญฉันอดบ้างหิวบ้างก็ไม่สำคัญถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตถ้ามีความคิดอย่างนี้แล้วจะไม่เดือดร้อนใจใจจะเย็นใจสบายจะปฏิบัติธรรมได้อย่างสม่ำเสมอ ถ้ายังมีความติดอยู่กับอาหารอยู่กับปริมาณของอาหารจะต้องรับประทานอาหารช น, นชนิดนั้นชนิดนี้จะต้องรับประทานให้อิ่มเต็มที่ถ้าวันไหนไม่ได้รับประทานอาหารที่ชอบรับประทานหรือรับประทานอาหารไม่อิ่มใจก็จะมีความหงุดหงิดลำคาญจะมีความทอดแทบดหน่าย จะไม่อยากจะปฏิบัติจะไม่อยากอยู่เป็นสมณนะนักบวชจะคิดถึงเวลาที่เป็นครวาวาว่าจะกินอะไรก็กินได้จะกินเท่าไหร่ก็กินได้แต่ลืมไปว่าการกินแบบนั้นอยู่แบบนั้นมันไม่ได้ให้ความสุขกับใจมันเป็นภาระกับใจเพราะใจจะต้องไปขวนขวายไป ตะเกียกตะกายหาทรัพย์เพื่อมาซื้อสิ่งต่างๆที่กิเลสอยากได้เวลาที่เวลาที่นึกจะไม่คิดถึงความทุกข์จะคิดแต่ความสุขที่ได้รับจากการรับประทานอาหารตามความต้องการ รับประทานจนอิ่มอย่างเต็มที่แต่ไม่คิดถึงความทุกข์ที่จะต้องเดิ้หนลนหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้รับประทานตามที่อยากจะรับประทานก็เลยจะทำให้ต้องลาสิทธค้าลาเพศไปได้พอลาเพศไปแล้วพอไปอยู่ไม่นานไปเจอความทุกข์ก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาอีก ก็อยากจะกลับมาบวชอีกถ้าไม่มระมัดระวังไม่คิดอย่างรอบคอบก็จะกลายเป็นชายสามโบทสี่โบทไปบวชแล้วสึกบวชแล้วสึกพอบวชแล้วพอไปเจอความทุกข์ยากลำบากก็ท้อถอยไม่ยอมต่อสู้ก็จะต้องสึกออกมาพอสึกออกมามาทำงานอยู่แบบค า, ารวะ ก็ต้องตะเกีบตะกายเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต่อสู้กับภู菩ค ต, ต่างๆนานาก็เกิดความเบื่อหน่ายก็อยากจะบวชอีกก็เลยบวชไปแล้วก็เสกบวชไปแล้วก็เสบทำอย่างนี้ก็จะไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้ถ้าไม่มีความมากน้อยสมดสันโดยถ้าไม่มีความอดทนอดกลัน้นถ้าไม่มีความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติเพราะการปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติได้ผลแล้วใจจะมีความสุขแล้วความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายจะไม่เป็นปัญหาเลยจะอดบ้างกินอดมือกินมืออดวันเว้นวันก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะใจไม่ดิ้นรนใจไม่กอดแขวงใจไม่รู้สึกขิวปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหาอยู่ที่ใจ ถึงแม้จะได้รับประทานอาหารอิ่มอย่างเต็มที่ก็ยังอยากจะรับประทานขนมน ม, นมเลยยังอยากจะดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆอีกเพราะความอยากของใจนี้ไม่มีขอบมีเขตนั้นเองได้เท่าไหร่ก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มว่าพอนักปฏิบัติจึงต้องพยายามทำจิตใจให้สงบให้ได้เพราะเมื่อจิตใจสงบแล้ว จะมีความอิ่มมีความพอจะไม่รู้สึกเดือดร้อนถ้าไม่มีอะไรดื่มไม่มีอะไรรับประทานอยู่ได้อยู่ประจนถึงตายได้ถ้าสมมติว่าไม่มีอาหารแล้วก็ต้องอดตายใจก็ยังจะไม่เดือดร้อนเพราะใจมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาก็คือความสงบนี่เอง ความสงบที่เกิดจากการภาวนาความสงบที่เกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เตื่นขึ้นมาจนหลับถ้าอยากจะทำใจให้สงบจะต้องเจริญสติก่อนเพราะสตินี้จะเป็นตัวดึงใจให้เข้าสู่ความสงบถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะดึงใจให้เขาเข้าสู่ความสงบได้ นั่งสวดมนต์ก็จะไม่อยู่กับการสวดมนต์สวดมนต์ไปแล้วก็ไปคิดด้วยเปื่อยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สวดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ไม่สงบสักทีหรือบริกรรมพุทโธก็ไม่สงบดูลมหายใจเข้าออกก็จะไม่สงบถ้ามัวแต่ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เพราะไม่มีสติดึงใจไว้ให้อยู่กับ การสวดมนต์ให้อยู่กับการบริการพุโทโธให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าเราฝึกสติอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะอยู่กับสิ่งที่เราสั่งให้อยู่ด้วยเช่นในชีวิตประจำวันของเราเราก็สั่งให้อยู่กับการทำงานของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ ก็ให้มีสติเฝ้าอยู่กับการทำงานอย่าทำงานไปแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้จะเรียกว่าไม่มีสติยังควบคุมใจไม่ได้ถ้าอยากจะควบคุมใจก็ต้องดึงใจให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวการทำงานของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรก็เฝ้าดูไปกำลังรับประทานอาหารก็เฝ้าดูไป กำลังอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวกำลังขับรถขับราก็เฝ้าดูไปอย่าให้ไปที่อื่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติพอเราจเจริญสติได้แล้วใจก็จะนิ่งจะไม่ลอยไปลอยมาพอกำหนดให้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็จะอยู่แล้วก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ ถ้าไม่สามารถดึงใจให้อยู่กับร่างกายได้ก็ต้องใช้วิธีบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องต่างๆให้คิดแต่คำว่าพุโทโธพุธโทโธไปถ้าไม่ชอบพุโทโธจะสวดมนต์ไปก็ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆบทที่เราจาได้สวดซ้าไปซ้ามาก็ได้ไม่ต้องเป็นบทยาวบทสั้นๆก็ได้ก็สาคัญ อย่าให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆให้ใจอยู่กับการทำงานของร่างกายให้อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าเราสามารถจเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องแล้วเวลานั่งทำสมาธิใจก็จะสงบถ้าใจสงบแล้วก็จะมีความสุขจะไม่หิวไม่อยากกับสิ่งต่างๆเพียงแต่ความความสงบของสมาธินี้ ไม่ถาวรเท่านั้นไม่เป็นไปตลอดเวลาเพราะจะอยู่ในสมาธิได้ไม่นานก็จะต้องออกมาเพราะกำลังของสติยังมีไม่มากพอพอจิตออกมาความสงบสุขก็จะค่อยๆหายไปถ้าไม่อยากจะให้หายก็ต้องใช้ปัญญามารักษามาสอนใจให้พิจารณาให้เห็นว่า สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่เป็นไม่เป็นสุขเป็นแต่ทุกข์อย่าไปอยากได้ถ้ามีปัญญาคอยสอนเวลาใจอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือมีสิ่งนั้นสิ่งนี้พร้อมปัญญามาสอนว่ามันไม่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์มากกว่าก็จะระงับความอยากได้ แต่ถ้าไม่มีปัญญาพอเห็นอะไรอยากจะได้อะไรขึ้นมาใจก็จะเกิดความหิวขึ้นมาจนทนไม่ได้จะต้องไปซื้อสิ่งที่อยากได้ ท, ทันทีพอซื้อมาแล้วความอยากได้ก็จะหายไปชั่วคราวเดี๋ยวไม่นานก็จะกลับมาอีกพอเห็นอะไรหรือพอนึกถึงอะไรอยากได้ขึ้นมาอีกก็เกิดความหิวขึ้นมาอีก ก็ต้องไปหามาอีกดังนั้นเวลาออกจากสมาธิจึงต้องคอยมีปัญญาประคับประคองความสงบความอิ่งของใจไว้อย่าให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆนอกจากสิ่งที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นสิ่งที่ถ้าไม่มีแล้วจะต้องตายไปก็ต้องมีเช่นเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารก็ต้องรับประทานา อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความอยากเรียกว่าเป็นความจำเป็นเหมือนกับเวลาขับรถแล้วน้ำมันหมดก็ต้องจอดเติมน้ำมันอันอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความอยากแต่ถ้ารับประทานมากเกินไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นความอยากรับประทานวันละสีห้ามื้ออย่างนี้เป็นความอยากความจริงรับประทานวันละมื้อสองมื้อก็พอเพียง ต่อความต้องการของร่างกายแล้วแล้วก็ต้องรับประทานแบบตามมีตามเกิดไม่จู้จี้จุกจิกไม่คิดอยากจะกินอาหารชนิดนั้นกินอาหารชนิดนี้มีอาหารอะไรก็กินได้อยู่ใกล้ตรงไหนมีอะไรขายก็ซื้อกินไปกินเพื่อให้มันอิ่มท้องก็พออย่าไปกินเพื่อให้เกิดความสุขใจ เพราะมันจะเป็นกิเลสมันจะสร้างความอยากให้ต้องอยากอยู่เรื่อยๆต้องหิวอยู่เรื่อยๆนี่คือการใช้ปัญญาเพื่อรักษาใจไม่ให้ว้าวุ่นขุมม่นวัวไม่ให้หิวกระหายกับสิ่งต่างๆถ้าสามารถใช้ปัญญารักษาใจไปได้เรื่อยๆแล้วต่อไปใจจะสงบอยู่ตลอดเวลา จะไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรไปตลอดเวลาจนถึงวันตายอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามจะไม่เดือดร้อนเพราะปัญญาจะสอนใจให้ปล่อยวางให้รู้ว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นอย่างนี้มีเกิดมีดับเป็นธรรมดา มีมามีไปเป็นธรรมดามีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาและร่างกายของตนเองและของผู้อื่นก็เช่นเดียวกันมีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีตายเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถที่จะมาหยุดมันได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแต่ใจของเรานี่ ถ้ามีปัญญามีสมาธิจะสงบจะไม่วุ่นวายไปกับการเกิดการดับไปกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ใจจะอยู่อย่างมีความสุขไม่ว้าวุ่นผุ่น ม, มวัวและเมื่อตายไปแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปถ้าสามารถตัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปได้ ความอยากที่ต้องตัดก็มีอยู่สามข้อด้วยกันคือความอยากในการมาคุหคือรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเรียกว่ากามะตันหาอย่างที่พวกเรายังอยากกันอยู่ถ้ายังอยากดูหนังฟังเพลงยังอยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆยังอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ยังอยากจะรับประทานอาหารดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการมาตัญหาถ้ายังมีการมาตัญหาก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่จะต้องหาร่างกายเพื่อที่จะได้มาเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปถ้าไม่มีความอยากในการมาตัญหาแล้วก็จะไม่ต้องมีร่างกายเพราะว่าไม่มีความจำเป็นไม่อยากจะดูไม่อยากจะฟัง ไม่อยากจะลิ้มรสไม่อยากจะดมกลิ่นไม่อยากจะสัมผัสกับร่างกายของคนนั้นของคนนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดนอกจากการมากตัณหาแล้วก็ต้องละเลือดับความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาเช่นให้พอใจกับสถานภาพของเรา ขณะนี้เราเป็นอะไรก็ให้พอใจอย่าไปเป็นมากกว่านี้อย่าไปอยากเป็นนั่นเป็นนี่อย่าไปอยากมีนั่นมีนี่ถ้าอยากแล้วมันก็จะทำให้ใจต้องทำงานใจจะต้องหมุนเมื่อใจหมุนใจไม่นิ่งเวลาตายไปมันก็จะหมุนไปสู่พบใหม่ชาติใหม่ต่อไปเราจะต้องไปเกิดใหม่พอยังมีความอยากคอยผลักให้ไปเกิดใหม่ ความอยากชนิดที่สามที่ต้องตัดให้ได้ก็คือวิภวตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเมื่อกี้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่เราไม่มีทีนี้เราจะอยากไม่มีอยากไม่เป็นในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นเช่นอยากไม่แก่อย่างนี้อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายนี่เรียกว่าความอยากไม่มีอยากไม่เป็น อันนี้เราก็ต้องตัดมันไปเช่นเวลาแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยมันเจ็บไปเราอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันไม่เป็นเพราะมันจะสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราจะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราจะทำให้เราดิ้นรนหนีจับมันไปถ้าเราดิ้นรนจิตของเราก็ต้องหมุนมันก็จะพาให้เราไปเกิดในชาติใหม่ เช่นกับเช่นเดียวกับความตายถ้าเรากลัวความตายเราก็จะเล่นหนีพอเล่นหนีเราก็จะไปเกิดใหม่อีกแต่ถ้าเราทําใจให้นิ่งทําใจให้เฉยๆปล่อยให้ร่างกายมันเป็นไปตามเรื่องของมันมันจะแกะ่ก็ปล่อยให้มันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปใจก็จะนิ่ง ใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะสงบใจก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่นี่คือเหตุที่จะพาให้สัตว์โลกไปเกิดใหม่มีอยู่สข้อด้วยกันคือการมากตัญหาความอยากในการภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นที่เราสามารถตัดได้ด้วยการเจริญภาวนา เจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็ให้เจริญปัญญาเพื่อรักษาความสงบความนิ่งของใจไม่ให้หมุนไปกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วใจก็จะได้นิ่งอยู่ตลอดเวลาคาว่าพระนิพพานนี้ก็คือความนิ่งสงบของใจนี้เองเป็นความนิ่งสงบที่ถาวรไม่มีการกระเพื่อมเลย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะใจมีสติมีสมาธิมีปัญญาไหวคอยรักษาความนิ่งความสงบนี้เองนี่คือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้เป็นทุรที่เราควรจะถือเป็นทุลาสำคัญที่สุดยิ่งกว่าทุลต่างๆในโลกนี้เพราะทุลต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถที่จะ ทำให้เราหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่สามารถทำให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงที่ประเสริฐได้มีทุระสองทุระนี้คือคันทธทุระและวิปัสสนาทุระคือการศึกษาพระธรรมคำสอนและการทําให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นยังขอให้ท่านจงมีความแน่วหน้า ต่อธุระทั้งสองประการนี้แล้วประโยชน์สุดอันเลิศอันตระเสดก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศระีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาประเพณ์กันในวันนี้ยงเป็นเหตุเป็นปัจใจให้ท่านมีแต่ความสุข ความเจริญแค็วแกร่ปลอดภัยบรรลุถึงมรรคผลวิพานตามลำดับต่อไปโดยทั่วหน้ากันเธอ